บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในที่นี้จะได้กล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสูตรซึ่งเป็นประสูดที่ถือเป็นแม่บทในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน มัสติปฐานานสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงเมื่อประทับอยู่ที่นิคมชื่อกรรมมาสธรรมะในแคว้นกุรุคือบริเวณที่เรียกว่ากรุงเดนรีในปัจจุบันพระสูตรที่ทรงแสดงในแคว้นกุรุนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกประมาณ1ิบสูตรด้วยกันแต่ละพระสูตร ที่ทรงแสดงจะมีความลึกซึ้งละเอียดประณีต ย, ยากต่อการจะทำความเข้าใจทั้งนี้พระโบราณอาจารย์ท่านเล่าว่า<อ>เนื่องจากชนชาวแคว้นกุรุมีอุตุสบายคืออากาศไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดจงเกินไปในด้านอากาศก็สบายด้านอาหารด้านที่อยู่อาศัย ก็สะดุกสบายและพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าคนในแคว้นกุรุมีความสนใจในเรื่องการประพฤติปฏิบัติสูงเป็นพิเศษเมื่อได้สดับธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะมีการปาประกาศเชิญชวนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติธรรมะกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักในมหาสติปัฏฐานในสุดเวลาพบหน้าสนทนากันก็มกักจะถามว่าท่านบริกรรมธรรมะข้อไหนท่านพิจารณาธรรมะข้อไหนในมหาสติปัฏฐานในสุดถ้าหากว่าคนที่ถูกถามนิ่งเสียก็จะถูกตำหนิหรือถ้าบอกว่าไม่ได้มนานสิการนึงกรรมฐานข้อใด ก็จะถูกตำหนิและตักเตือนให้สติเพื่อให้บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่รมประมาทพยายามทำใจให้สงบอยู่ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าสังคมนั้นได้ช่วยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมโดยที่คนส่วนมากในสังคมเป็นคนที่มีวินัยในตัวเอง ควบคุมตัวเองได้และเห็นความสำคัญแก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบและเพื่อให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงในเรื่องทั้งสี่ประการนั่นพระโบราณอาจารย์ยังเล่าละเอียดออกไปว่าแม้แต่สัตว์ดิเรกชานก็สามารถที่จะมานสิการถึงกรรมฐานบางข้อได้โดยท่านเล่าว่าพวกละครเร่กลุ่มหนึ่ง ได้ฝึกนกแขกต้าให้สามารถสนทนาภาษามนุษย์ได้ต่อมาเมื่อเขาเดินทางเร่ร่อนแสดงเพื่อหาเงินในที่ต่งตางๆก็ได้แวะพักในสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งและลืมนกแขกเต้าตัวนั้นไว้ในสำนักของนางภิกษุณีสามเณรีทั้งหลายก็ได้เลี้ยงดูนกแขกเต้าตัวนั้น ได้ให้ชื่อว่าพุทธรักิตซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือพระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษาพระเถรีในอาวาสท่านก็ถามนกพุทธรักิตว่าพุทธรักิตเจ้ามานสิการทั้งกรรมฐานคนใดบ้างนกแกะเต้าก็บอกว่าไม่ได้มานัสิการอะไรท่านก็เตือนให้สติว่าแม้เจ้าจะเป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่เมื่ออยู่และเจริญเติบโตในสำนักของนักบวชเช่นนี้การไม่ใส่ใจถึงธรรมะไม่มนัสสิการทังกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนั้นเป็นการไม่สมควรแต่เนื่องจากเจ้าเป็นสัตว์เราขอให้บริกรรมเพียงบทเดียวว่าอัติอัติอัติซึ่งแปลว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นนกพุทธลกิเนื่องจากพูดภาษาคนได้ดังกล่าว แกก็บริการแตยคำว่าอาัติอยู่เรื่อยไปจนคำว่าอาัติคล่องแคล่วภายในจิตสำนึกของแกต่อมาวันหนึ่งแกไปเกาะอยู่ที่กลางแจ้งมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเข้ามาแล้วก็เฉี่ยวแกไปสามาเมนรีก็ช่วยกันไล่ในที่สุดเหยี่ยวก็ปล่อยท่านก็จับนกกลับมา นำไปเรียนให้พระเทรีทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทรีถามว่าพุทธลกขิตเมื่อเดียวเฉียวเจ้าไปนั้นเจ้าคิดอย่างไรนกบอกว่าไม่ได้คิดอย่างไรแต่คิดว่ากองกระดูกกำมังนํากองกระดูกไปแล้วคงจะตกเรียรายในที่แห่งหนึ่งซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าความคิดที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ซึ่งเรียกว่าอัธิกะสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นความเป็นกระดูกของนกพุทธรกิตที่บริการด้วยอำนาจของสัญญาคือปัญญาระดับสัญญาเป็นการจาหมายตามคำที่ท่านบอกให้บริการเท่านั้นแต่เมื่อบริการมเมื่อคิดบ่อยๆก็เกิดเป็นแนวความคิดขึ้นมองเห็นคนอื่นสัตว์อื่น ก็เป็นร่างกระดูกเป็นกองกระดูกเช่นเดียวกันแต่นั้นเมื่อเยอเชียวแกไปแทนที่จะตกใจก็เกิดมีความคิดว่ากองกระดูกกองหนึ่งกําลังนํากองกระดูกอีกกองหนึ่งแล้วคงจะต ก, กระเรียวรายอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งนี่คืออารมณ์ของกรรมฐานการบริกรรมถึงอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นในชั้นแรกๆเป็นเรื่องของการเสริมสร้าง ความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจแต่เมื่อบริกรรมบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆมนัสิการอยู่บ่อยๆสมาธิก็จะเสริมสร้างปัญญาให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับแล้วฐานของสมาธิที่สร้างปัญญานั้นปัญญาเองก็จะกลับมาสร้างสมาธิสินสมาธิปัญญาจึงอิงอาศัยการและเสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนช่วยซึ่งกันและกัน ทำให้แต่และฝ่ายมีกำลังแข็งกล้าขึ้นพอที่จะคิดพอที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นๆตามสมควรแก่กำลังของศีลสมาธิปัญญาที่บุคคลนั้นก่อให้เกิดขึ้นมนัสิการมนัสิกานถึงกระดูกที่เรียกว่าอัติกะสัญญานั้นในชั้นการเห็นโดยอำนาจของสัญญาหรือความรู้เห็นโดยอำนาจของสัญญา ที่เป็นปัญญาระดับหนึ่งนั้นได้เกิดขึ้นแก่พระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อวิติศัท่านมนานัสสิการถึงร่างกระดูกเช่นเดียวกันโดยมองเห็นตัวเองประกอบด้วยร่างกระดูกพอมนานัสสิการต้องการจะดูตัวก็เห็นเป็นร่างกระดูกพวกเลือดเนื้อเอ็นต่างๆก็กลายเป็นโปร่งใส ก็เห็นตัวเองไปในลักษณะอย่างนั้นมานสิการข้าวมนสิการเข้ามากขึ้นมากขึ้นถ้าท่านอยู่ในอารมณ์ของอธิกะสัญญาคือการกําหนดหมายเป็นร่างกระดูกแม้จะเห็นคนอื่นท่านก็มองเห็นเฉพาะร่างกระดูกเท่านั้นโดยไม่รู้เพศรู้ภาวะของคนนั้นวันหนึ่งมีสามีกับพันยาทะเลาะ ก, กัน พัญญาก็หนีสามีกลับบ้านแม่ของตนเดินผ่านพระเถระพระเถระกำมังมณสิการกรรมฐานอยู่พอดีสติสีผู้นั้นก็หัวรอกขึ้นท่านก็เงยมองดูไปตามเสียงที่เรียกว่าสัทธะสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเสียงมองไปก็เห็นเป็นร่างกระดูกเดินไปแล้วท่านก็มณสิการกรรมฐานต่อเมื่อท่านออกจากกรรมฐานแล้ว ก็ไปนั่งอยู่ในที่หนึ่งชายสามีเดินผ่านมาติดตามพัญญาไปก็มาพบพระเทรศก็สอบถามว่าเห็นสตรีคนหนึ่งเดินผ่านไปบ้างไหมท่านบอกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่ทราบเ็นมีร่างกระดูกร่างหนึ่งเดินไปข้อนี้คือผลที่เกิดขึ้นมาจากการมนัสิการคือการกระทำไว้ในใจบ่อยๆซึ่งอารมณ์ของกรรมฐาน ในชั้นของสมาธิก็จะก่อให้เกิดความสงบขึ้นในชั้นของปัญญาก็กระจายตัวเองออกไปโดยลาดับอย่างในกรณีของนกแขกเต่าที่ชื่อพระพุทธรคิจก็เป็นปัญญาระดับสัญญาคือความจำหมายตามรูปแบบที่พระเถรีภิกษุณีได้สอนให้นกแก่บริกรรมแต่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์เรา ซึ่งมีอินทรีย์มีสติปัญญาสูงกว่าสัตว์อิราา้สารก็สามารถคิดกระจายออกไปได้มากกว่านั้นตัวอย่างเช่นการมนุิการถึงกระดูกดังที่กล่าวแล้วพอปริมาณของปัญญาสูงขึ้นภายในจิตก็จะมองเห็นชีวิตทุกชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการประกอบขึ้นของโครงร่างกระดูก มีการรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นน้อยใหญ่แล้วก็ฉาบทาไว้ด้วยเนือ้อคุ้มไว้ด้วยหนังก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์ตามที่สมมติปัญญาติกันผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรมของพระเรียเจ้าก็ อ, อาศัยร่างกระดูกที่ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ธาตุอายตนะดังกล่าวนั้นเอง เสริมสร้างมานะบังตันหาบังทิตชี่บังให้มีปริมาณสูงขึ้นภายในร่างกายอันเป็นโครงกระดูกนี้ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าแรงกระตุ้นเตือนของตันหาที่เกิดขึ้นภายในร่างกระดูกก็มักจะสายไปแสวงหาสิ่งที่ต้นคร่ต้นปรารถนาต้นพอใจ ยิ่งยกตัวอย่างว่าปรารถนาได้เครื่องแต่งตัวที่สวยงามหรือว่าทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากเมื่อได้แล้วตัณหาในวัตถุเหล่านั้นก็จะสูงขึ้นปรารถนาที่จะได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นและในที่สุดก็อยากได้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ตนได้อยากในตอนต้นจิตของบุคคลก็จะวิ่งเข้าไปในครองของตัณหา ดังที่เคยกล่าวว่าโปโนพภิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปและก็ให้เกิดการเวีทว่ายอยู่ในสังสารวัตรก็ให้ความมีพบมีชาติปรากฏขึ้นในจิตสันดานของบุคคลผู้นั้นต่อแต่นั้นก็จะเกิดเป็นมานะมีการเทียบเคียงกับบุคคลอื่นเจนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าดีกว่าก็ไปเทียบเคียงกับบุคคลอื่นเดูนาจมานะว่า เรามีเสื้อผ้าดีกว่าเขาเรามีอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นต้นเพราะความยึดความถือในร่างกระดูกนี้ก็มีการสแสวงหามีการขวายคว้ามีการกระทําบาปกรรมโทษทุจริตด้วยประการต่างต่างทางั ท, งที่แท้ที่จริงแล้วเป็นการกระทําของร่างกระดูกกับร่างกระดูกถึงร่างกระดูกหนึ่งอาจจะทําต่อร่างกระดูกลหลายร่างก็ได้ แต่ว่าล่สุดท้ายก็จะเป็นอย่างที่นกพุทธะกีดเคยพูดร่างกระดูกทั้งหมดไม่ ว, ว่าจะเป็นร่างกระดูกของเหี่ยวหรือร่างกระดูกของนกพุทธะกีดหรือร่างกระดูกเหล่าอื่นก็จะตกกระรายกระจัดกระจายอยู่ในทีนน่นั้นๆกลายเป็นดินกลายเป็นน้ํากลายเป็นลมกลายเป็นไฟไปตามสภาพของมันแล้วเมื่อใดเหตุปัจจัยขันธาตุอยายตนะเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีกและในที่สุดก็แตกดับลงไปอีก วนกันอยู่อย่างนี้ด้วยไปปัญญาในชั้นนี้เมื่อสามารถกระจายออกไปได้ก็กลายเป็นปัญญาระดับที่เราเรียกว่าวิญญาณคือความรู้แจ่มแจ้งความรู้ชัดเจนขึ้นสูงขึ้นสามารถที่จะเข้าใจเหตุผลในชั้นของการดำรงชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็จะประกอบสุจริตทางกายทางวาจาและควบคุม ความคิดของตนเอาไว้ให้อยู่ในครองสุจริตถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับละโลคโกรธหลงได้แต่ควบคุมความโลภความโกรธความหลงไว้ได้เพราะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นกองกระดูกหรือว่าก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งเท่านั้นเองการจะอาศัยกองกระดูกหรือก้อนทุกไปสร้างความเดือดร้อนให้เกิดตนเอง จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือเพิ่มปริมาณของกิเลสให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนเองนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรในร่างกระดูกเหล่านี้เพราะผลเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามเป็นเรื่องที่ตนเองจะต้องได้รับด้วยตนแต่ถ้าปริมาณของปัญญาสูงขึ้นอาศัยจุดเพียงความคิดโดยนิยะที่กล้าแล้วที่ท่านเรียกว่าเป็นปัญญาที่ชํามแรก แบ่งแยกขันยะขันธาตุอายตนะออกไปเป็นก้อนเป็นกลุ่มดังกลา่าวจนสามารถมองเห็นเป็นความเกิดความดับในลักษณะที่ขี่ยิบแต่เป็นความเกิดดับในลักษณะที่เลื่อนหลายไปคือมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นการทยอยที่สืบเนื่องกันมาและถึงจุดหนึ่งก็จะดับลงไปอย่างสิ้นเชิงช่วงหนึ่งเวลาหนึ่ง นั้นก็คือเรื่องของความตายความปล่อยความวางก็จะสูงขึ้นภายในจิตใจการไขว้ยพายึดถือด้วยอำนาจตันหาก็จะเบาลงไปและด้วยความคิดเหล่านี้สามารถที่จะกระจายตีวงกว้างออกไปได้คือมองเห็นแนมะ้คนอื่นสัตว์อื่นจะเป็นอยู่ในส่วนใดของโลกก็าตามล้วนแล้วแต่เป็นร่างกระดูกเท่านั้น ไม่มีความสวยงามไม่มีความน่าพึงปรารถนาน่าพอใจอย่างที่เข้าใจกันการกระจายแนวความคิดเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปัสนาคือมองได้ชัดเจนมองได้แจ่มแจ้งมองเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงอย่างไรจะในกรณีของร่างกระดูกก็มองเห็นว่า ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นว่าจะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีกดีประณีษก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสักแต่ว่าเป็นร่างของกระดูกหรือสักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นความเข้าใจความอย่างเห็นเรื่องนาาของปัญญาที่บังเกิดขึ้นนี้ สามารถที่จะบรรเทากิเลสโดยนิยะที่กล่าวแล้วได้แรงของตัณหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ถึงกระทุวมทักใจมนณะก็จะบรรเทาเบา บ, าบางลงไปได้ทิฏฐิความเห็นผิดหรือความยึดติดในรูปลักษณะต่างๆก็จะเบาบางลงไปโดยลำดับและจนถึงกะหมดสิ้นไปการศึกษาการปฏิบัติในระดับของกรรมฐานนั้น ตามหลักที่ท่านแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและที่พระอัตกริอาจารย์ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจนั้นผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าพื้นฐานอันเป็นอัตยาศัยของบุคคลในสถานที่นั้นๆเป็นปัจจัยที่สำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือค่านิยมภายในสังคมมีลักษณะกระตุน้นเร่งร้าว ให้เกิดชันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติค่านิยมภายในสังคมในกรณีต่างๆในระดับต่างๆจึงมีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมอย่างประชาชนชาวกุรุมีค่านิยมทางศีลธรรมยกจ้องเชิดชูบุคคลที่ใส่ใจสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักของกรรมฐานเวลาสนทนากัน ก็สนทนากันในเรื่องนี้เวลาถกเฉียงทดสอบกันก็จะทดสอบกันในเรื่องนี้เทียบเคียงก็จะเทียบเคียงกันในหลักของการ ป, รปฏิบัติเวลาจะกล่าวยกย่องสรรเสริญก็จะกล่าวยกย่องสรรเสริญผู้ปฏิบัติในด้านนี้เวลาจะกล่าวตำหนิก็กล่าวตำหนิคนที่ละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจไม่ ม, ะนะ า, นมานะสิกานตกกรมฐานซึ่งการปฏิบัติในชั้นนี้ เป็นการอาศัยพื้นฐานความต้องการฐานะการยอมรับนับถือความเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีภายในสังคมของบุคคลทั้งหลายนั่นเองเป็นปัจจัยกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นพอในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าความรู้สึกประเภทที่เรียกว่าตันหาจะมีความเจือจางลงไปโดยลาดับเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ใช้งานได้ สามารถที่จะอาศัยเป็นยานพาหนะได้อย่างที่ท่านแสดงว่าตันหังนิสายะตันหาปหาตปะอาศัยตันหาเพื่อละตันหาตันหาเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวผลักดันให้เกิดความกระตือรือรน้นความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งเหมือนกับแรงดันของเครื่องยนต์ต่าง ในตอนแรกก็จำเป็น จ, จะต้องอาศัยแรงดันเหล่านั้น <c oughs> คล้ายๆกับส่งยานอาวกาศขึ้นไปนอกโลกในชั้นแรกก็จำเป็นจะต้องอาศัยจรวดซึ่งมีแรงผลักดันส่งกันไปเป็นทอดๆจรวดทอนแรกส่งไปหมดแรงก็ตกท่อนที่สองก็ทำงานต่อหมดแรงก็ตกทอนที่สามส่งต่อหมดแรงก็ตก ทรงกันไปจนจรวดนั้นออกไปนอกโลกดาวเทียมดวงนั้นออกไปนอกโลกและในที่สุดก็อยู่ในสุญญากาศได้การปฏิบัติธรรมะในทางาศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องอาศัยพวกกิเลสประเภทที่เรียกว่าตันหาแต่อ่อนลงเป็นแรงดันให้เกิดความกระตือรือรน้นความมานะพยายามผลักดันไปด้วยที่ทรงแสดงว่า เหมือนกับพว่วงแพรหรือเหมือนกับยานพาหนะที่บุคคลอาศัยข้ามในช่วงของการข้ามก็ต้องอิงอาศัยยานพาหนะเหล่านั้นแล้จะข้ามคลองกันกี่ครั้งหรือไปกันกี่แข่งก็ตามอาศัยยานพาหนะไปเรื่อยๆพระยานพาหนะ ม, มีลักษณะผลักดันให้เดินไปข้างหน้าได้แต่พอถึงจุดที่จะขึ้นฝั่งบุคคลก็ต้องทิ้งยานพาหนะเหล่านั้น ชั้นใดก็ดีการปฏิบัติธรรมะในทางพระศาสนานั้นาสตราใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานตัณหาก็คงจะมีอยู่แต่ว่าเนื่องจากปริมาณของตัณหาไม่แรงกล้ากลายเป็นการนำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์คือเป็นแรงดันในการประพฤติปฏิบัติแล้วพอถึงจุดหนึ่งบุคคลก็ละทิ้งตัณหาได้สิ้นเชิงนั่นก็หมายความว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ในชันนี้แน่นอนแล้วเกินจะมีภาวะสองอย่างที่จะต้องเลือกคือการละตันหากับนิพพานเปจะอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันไม่ได้หรือเหมือนกับเรือกับ ก, บการขึ้นฝั่งเช่นว่าคนจะเอาเรือขึ้นไปบนฝั่งด้วยก็ไม่ได้แต่ในขณะที่อาศัยไปถึงฝากโน้นก็ต้องอาศัยอาศัยเรือแต่พอขึ้นฝว่งก็ต้องทิ้งเรือ ตัญหากับนิพพานจึงอยู่ฝากที่ตรงกันข้ามถ้าต้องการนิพพานก็ต้องละตัญหาถ้าไม่ละตัญหาก็ไม่ถึงนิพพานแต่ภาะวะทั้งสองอย่างนี้จะอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันกว่าจะถึงนิพพานก็ต้องอิงอาศัยพวกเหล่านี้ไปเพื่อเป็นแรงดันนังกล่าวปัจจัยที่กระตุ้นเตือนนั้นนอกจากจะ ก, กระตุ้นเตือนจากภายในด้วยนาจพื้นฐานบารมีซึ่ง ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีลักษณะเอื้ออำนวยให้ตนได้ประพฤติปฏิบัติความดีเป็นดินแดนที่มีพระรานาตรัยปรากฏจุดนั้นอา ศ, าศาัยปุเพกะตะปุญญาตาถือบุญที่บุคคลกระทำไว้ในการก่อนเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเหล่านี้ขึ้นดนั้นการที่ชนชาวกุรุมาเกิดอยู่ในทินเดียวกัน แล้วก็มีพื้นฐานระดั บ, ดบสติปัญญาค่านิยมอินทรีย์ในระดับที่ใกล้เคียงกันปัจจัยที่เป็นพื้นฐานจึงอยู่ในระดับที่หนุนกันแต่ในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็อาศัยปัจจัยแวดล้อมคือแต่ละคนที่ควบคุมตัวเองได้แล้วก็มีความเอื้ออารรอาใจใสต่อบุคคลอื่น เห็นว่าตนได้สัมผัสความสุขความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็มีความเอื้อเฟือ้อสนทนากับบุคคลอื่นสอบถามบุคคลอื่นมีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับบุคคลอื่นแต่ว่าใครยังมัวเมาประมาทก็ตักเตือนให้สติเพื่อให้เกิดความสํานึกในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถสัมผัสผลเช่นเดียวกับที่ตนได้สัมผัส การปฏิบัติในลักษณะเกื้อกูลกันเช่นนี้ทำให้ชนชาวครุได้ทั้งปัจจัยภายในคือพื้นฐานบารมีอินทรีย์ของตนและปัจจัยภายนอกคือความมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนหรือเป็นตัวเร่งให้เกิดความกระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติการช่วยเหลือการในแวดวงของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงกัลยาณมิตรคือความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเอาไว้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการที่จะเสริมส่งให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถที่จะสัมผัสผลสูงสูงขึ้นไปโดยลำดับในทางพระพุทธศาสนาจนชาวกุรุในแคว้นในกรรมมาสถรรมานิคมมีลักษณะดังที่กล่าวแล้ว ในปัจจัยเหล่านั้นเพีงเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะชนชาวกุรุเท่านั้นการที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีพื้นอัธยาศัยนิยมยินดีในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการเชื่อเห็นว่าอํานาจบา ร, รมีอินทรีย์แก่กล้ามากเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันก็ได้อยู่ในแวดวงของการยาณมิตรได้ศึกษาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้สนทนาธรรมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในด้านการประพฤติปฏิบัติและมีการสอบถามผลของการประพฤติปฏิบัติ ต, ต่อกันเช่นนี้ก็ชื่อว่าได้ปัจจัยเช่นเดียวกับที่จนชาวกุรุขเข้าได้เว้นแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่เท่านั้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทัพก่อนเสด็จดับขันทัปปะนิพพานก็ได้แสดงไปว่าพระธรรมและพระวินัยที่พระองค์ได้ทรงสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย พระธรรมและพระวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเราเมื่อพระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วดังนั้นพระธรรมและพระวินัยจึงยังคงอยู่ในฐานะของประศาสดาสามารถที่จะอํานวยผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระองค์แสดงเอาไว้เส่นเดียวกับที่จนชาวแคว้นกุรุได้เคยสัมผัสมาแล้วในอดีตต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบ สืบต่อไป